ใช้เฟซบุ๊กใช้บ้างใช่บ้างแต่ที่นี่ไ ม, ม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอัปโหลดอะไรและสเตตัสก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่เมอก่อนคืออาจารย์โพสเองโพสเองแต่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็แล้วก็เออไม่ค่อยมีเวลาก็เบื่อเบ่อด้วย facebook นี่มันนี่มันเอาไว้ใช้ด่ากันก็เลยไม่ค่อยกระเทืองปัญญาเท่าไหร่ ไม่เจ้าที่หรอกเขาเป็นเขาเป็นเขาเขาทำเขาเองที่เป็นชื่อข้อทำคำสอนเขาไปสาสอ่ะนี้เขาทำเขาเองารา้องต้องครับก่อนไม่ดูเป็นเรื่องเขาเลยไม่ดูตอหน้าสุยดบนี่คอมเมนต์กษนียส่วนใหญ่ก็สาธุนะก็มีสมัยก่อนก็มี มีแสดความเห็นบ้าง๋ยวน้อยมีมาด่ามันงก็มีก็ไม่ว่าอะไรก็ตอบไหมครับตอบบ้ไม่ตอบบ้างบางทีการตอบมันก็เรียกแคร์ก็เลยไม่ตอบนี้คือบางทีาคนก็รอมีคนมาพสต์กไหคมาสัางคนไลครับบางทคนมากพสต์แชรัมเห็นไหมกติม่ได้กดไลค์ไม่ไไม่กดไลค์แต่เข้าไปดูแต่ว่าเราไม่กดแชร์ม่ไ น้อยแล้วเดี๋ยวนี้แชร์บ้า ง, ยางอย่างงี้ไม่แชรก็เรื่องเรื่องธรรมะเรื่องแต่ <im it> ตก่อนช่วงช่วงปีห้าสามไปมีเรื่องการเมืองบ้างเรื่องที่มันกำลังจะเกิดความรุนแรงต่อหลังก็แชร์เรื่องเกย่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างเรื่องข้อมูลความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวแทบไม่ได้แชร์เลยเพราะว่าเห็นว่า ค, ไคไืไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ สองสมปีแล้วคือพอการเมืองมันมันมันประเภทว่าไม่ค่อยได้ฟังกันแล้วก็เลยโพสต์ไปก็คนก็ไม่ค่อยฟังแล้วมีแต่ว่าเก็ามาใช้เพื่อสับสนความถข็งตัวโพสต์ธรรมะก็มีโพสต์บ้างนิดหน่อยอย่างไนโพสธมามีคนเข้ามาสนาจก็มีบ้าง แต่ว่ากงก็ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยได้ดูเท่ า, า, าไหร่ก <c oughs> ็มีมีมีแต่น้อยนะ คาราวาเยอะสนจคาราวาจสักกี่สกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าแบ่งการสั่งซื้อคาราวาจก็อาจจะเป็นาระมาิบเปอร์เซ็นต์มั้งก็มีนะแ่เป็นคนรู้จักจริงเขาขอให้ขาขอใแอดนะคือเข้ามาแอดรอไม่ได้ใช่ไหมเพราะเตมิตน้องเขไปอัดเขาเขาได้เขขอให้ไปแอดอันนี้คือนี้คนรู้จักใช่ไหมครับรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอ่ถ้าเขาบอกว่าขอเาส่งเ้ามา คนไม่รู้จักก็มา r รี u e s t สอะธารมาก็ก็ไม่วาแล้วก็ไปแอดให้เขาส่วใหก็คือเป็นเป็นคนพพคทั่วไปใช่ไหมครับที่ ม, มาอย่างงี้พระมีไหมครับนี่น <c oughs> แต่ไม่มากอย่างพอาจารย์เริ่มเป็นเป็นาในสังคมคนไทยแต่ประมาณปีห้าสรมะเริ่มใช้ก็ปี52ครับก็คือเริ่มแรกที่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงแรกๆเลยนะ <c oughs> เป็นปีแรกหรือปีที่2ก็ไม่ทราบแต่ตอนนั้นยังน้อยอ่ะ เริ่มใช้โดยการที่เร า, ารู้จักเรื่อว่ามีค น, นแต้งต่างเฮ้ยกดกดมุกดผิดไหมเขามาเชิญแล้วก็ไปกดออกบอกว่ามีแอคเค้าขึ้นมาออกออกก็เลยใช้ไปเลยเรียกว่าปกติข่าว ก, ก็โจน เสลยเชิงว่าก็เคยมีนะแต่ต่อหลังตอนหลังก็เ่ื่อหเป็นคอมเมนต์มากกว่าที่เข้ามาในช่องไม่เสรช่องคอมเมนต์อฮะถ้าเจอแบบนี้ข้อคามในไหนในกองข้อความเหรส่วนใหญ่ก็มีมาด่าบ้างก็เออก็ก็ก็ไม่สนใจก็ไปจะมีลักษณะแบบไหนที่เราจะตอบไปที่แบบไม่ได้ฟังคอยเช่ที่มาด่าไม่ได้ถึงเข้ามาไม่ได้วิจารณ์อาจารย์จะตอบตรงไหมครับ มีบ้างน้อยแต่ว่าคือดูดูว่าเขาเขาฟังหรือเปล่า mm hmm. บางทีก็บางทีก็เขาดูเหมือนก็ไม่ฟังก็ไม่ตอบก็คือางทีเขาก็พิจารณาแล้วก็พยยมชี้แจงอย่างอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยที่ไม่ได้เล่นเลยคือแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยวันนึงไม่ได้เล่นเลย ค, เคือคือเออ คือถ้าอยู่วันนะบางวันเนี่ยแค่ดูเมสเซจแค่นั้นอ่ะส่วนเซฟขุนอื่กอนก็แค่ระโ h มอ่ะ uh huh. ก็ไม่ดูของคนนัานคนนี้ก็ไม่ดูเพราะว่ามันจะมามีปัญหาเรื่องของแพ็กเกจนะมันเดือนหนึ่งเนี่ยมันทำได้500เ ม, ก, มกเนี่ยห0 0ร้อยเมกขอ ดูไลฟ์ถ้าไลฟ์แม่กไม่ดูไลฟ์ใช่ไหมแล้วคนจ่าไม่เอตมาค น, คนจา بر, ่ายเราก็คีดเกียรถ้าเราใช้เกินเกินโฟลต้าเด็กก็เดือดร้อนอเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟกมันกินกินมกินความจําตายโอ้โหเปิดล่อไปสิบเมกกี่สิบ้าไปแล้วอันนี้เก่กับดูโทรศัพท์หรือว่าดูจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใช่ผมถ้าอยู่ๆๆอยู่กรุงเทพเนี่ยมีไวไฟเอาต่อมาก็ ก็กท่องหน่อยนะแต่ว่าก็ดูไม่กี่ดูไม่กี่เจ้าหรอก ด, ดูของตัวเองบ้างของตัวยังไม่ค่อยดูเลยพี่เป็นลูกปลากระโดดอ่ะพี่เป็นลูกปลากระโดดพระพสาวิสารโที่เป็นรูปปลากระโดดตอนเล่นวงินหครับไม่คนเราติเราก็อดนไม่ คือถ้ามันมีสัญญาณดูเช่นอยู่สนามบินเนี่ดูหน่อยแต่คือเล่นหลังกดูน้อยลงเพราะว่าค่อนข้างจะน่าเบื่อเบื่อนี่คือใหม่ใหในประเด็นเรื่องถือว่ามีการเลวิจารณ์ด้วยด้วยเ่องกรเรื่ออย่างนี้อาจารย์ก็ถ้าร์อักต้ไม่ทำไม่แต่มันไม่คือันเฟร้มีแต่คนตํนเฟร้ตมาจะมีไม่รู้ คืออาตมไม่เคยบล็อกเลยนะพิดาดาไปช่วงช่วงปีห้าสามเนี่ยมันพิดากนเละเทช่วงก่อนก่อนก่อนเมษาห้สมือว่าช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละเออโหช่วงนั้นสม่แล้วก็หลังน้นก็อา้มาก็ยังโอเคยังทำายี้ต่หลังแต่ช่วงละยะสามสองสามปีให้หลังนี่มัน ช่วงกบปปสอนี่นะครับเรียกว่าคนไม่ฟังกันแล้ว<ม>ก็ไม่ไล่กดไม่เคยไลย่คือไล่มีปัญหานะตมากดไล่คนนี้คนนั้ น, นกบกทรรมาไม่กดไล่ตัวเองบ้างตมา ก, ก็เล ย, เ ย, เยอไม่กดซะเลยพวกเพจเพจข้อมูลข่าวส า, าร ต, ต, ต่างเพจข่าวการ ก็ดูบ้างดูบ้างเนี่ยไม่มากที่ดูหน่อยที่ดูที่ดูบ่อยเนี่ยกับพี่พบอะรู้จักก่อนพี่พดมิทิพงอะอ๋ออันนั้นเพื่อนอะเออเขาเพื่อนตมาเพื่อใช่เพื่อนพาจรย์เออเอาก็ดูหน่อยข่วประเทศนะครออดูของสมศักดิ์บ้างอะไรเงี้ยว่ามีอะไรข้อมูลที่มันเออไม่เคยได้ยินอะไรเนี้ยที่ไก็ดูเพื่อนนียนนเดียวกันเลยครับีกเงกันที่าประสบการณ์ยกันใ แต่คือบางทีมันเป็นผู้นมันเกิดเราติดตามราได้มันจะขึ้นในสิ่งที่เราสนใจใช่ไมสนใจข่าวข่าวว่าออะไรกันเหมือนกันไแล้วมันรู้ได้ไเราสนใจอะไรมันเป็นเหมือนว่าควตัวนึงาจับได้ว่าเราเนี่ยตามคนนี้เราจะเลือกเลือกอะไรจริงนเพจของคณนันคนนีอ่ะใช่ครับก็จะอ่าวถ้าเกิดเราไม่สนเราไม่เราไม่ไปดูเพจใครเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมันจะกรองสกีแล้วว่าเกิดอะไรั้ว่าเราเราชอบเข้าไปดูอะไรบ้างเป็นที่เพจ จะได้ว่าอาจารย์ก็สนใจเปิดแคมเป็นผูดูแ่องการโน่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเปัวขอก็มีบ้างอึงขึ้นกันเมืองซะบ่อยอะไรเงี้ยไม่การเมืองนี่น้อยมากเลยมันมีมีมมแต่เรื่องส่วนตัวเดี๋ยวไปเที่ยวโน่ะไปกินนั่นกินนี่อะไรเงี้ย<ช>ไอแบบเนี้ย<ช> ไ, ไอแบบนี้ก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้คือมันก็คือไอที่หน้าโหมจริงนะมันไม่มันไม่ค่อยมีอะไรแล้ะเดี๋ยวเนี้แต่ว่าถ้าจะไปถ้าจะไปดูโน่นดีนี่เนี่ยมันก็ทะเลาะกัน่ะ ตั้งชื่อเปอ็นะพุทธสนโาจาย์เองกับรูปโปรไฟล์ปปอ้อะไรเงี้ยครับอาจารย์มีหลักการเอนะก็จะเลือกรูปยังไงรูปโปรไฟล์เหะอครับอารยก็ไม่ไม่ค่อยเอารูปตัวเองขึ้นเท่าไหร่ก็อะไรครับทั้งทแบอาจารย์เป็นชื่อเป็ น, น ไ, มไม่รู้สึกรู้สึกมันไม่อยากโชว์นะอ๋อเนะ อะไรนอนหน้าโวนหน้า <jour> ต <na> <Gedanken soul> okay. ัวเองอะไรเงี้ยน่เหรอะก็เลยน่าจะเป็นรูกปลากระโดดแล้วลูกโคอล์หนักครับจะมีลูกโคบอลล์ไฟแล้วจะมีเออไม่รู้เลยของกษัตรมาลูกโควอร์อะไรไม่รู้เลยอ๋อแสดงว่าตอนนั้นยังตอนเล่นใหม่ราะว่าแรกมันยังไม่มีมีช่องหน้วตอนนี้ไม่ไม่รู้มันอะไรกม่รู้แต่วปลากระโดดแต่ว่าเพจที่ ดูดูดูบ้าบางครั้งก็เใจครับส่อาจะาไรเงี้ยมันปล่อยปล่อยฟรีเลยไ่คือปล่อยเข้าไปอ๋อม่มไม่มด้ีคาสอนประมาเนคสอนก็ถึงด้วยเจพุทธธาตุสภษาคร่ารต่างเขาก็ก็ผีสไตล์เขาก็มีเรื่องของคนนคนนี้บ้างแลน้ก็ปล่อยเข้าไปก็ไว้ใจเขา โลกเหรอไม่ค่อยรู้อะเรื่องการเมืองทุกอย่างเร่อวนัเร่องอะไรไม่ไม่รู้เลยม่หือว่าดาผ่านุกเออมีตของภักกิ่งดีสักนี่ดาเดอร์อะไรเนี้ยรู้ดูบ้างเปล่าอนันอะมีมีีเห็นพระที่มีอะไรเงี้ยเราไม่ได้เห็นหน้าองคพระมองนมคือเฟบาเนี่ยเราคนทไปบีกาจะระบาย ต้อ ง, อองระงมัดระวังใช่ไหมต้องใช้ให้มันเป็นในทางที่เตินสติคนแม้แต่ใช้เพื่อประกาศอัตราตัวตนก็ไม่ควรแต่เดี๋ยวนี้พระไว้รุ่นจากการที่มีเพื่อนเฟ็นภูมเป็นญาทินของแอบข่าวไปก็จะมีทางอุปนิสัที่แบบทัดเจนอยากอยากจะด่าอหไรก็ด่า ท่านเนี่ถ้าไม่ค่อยรู้เรื่องสมรรศสลูปมากหรือไม่ค่อยได้รู้ว่าพาะควรจะวางตัวอย่างไรภานี้ไม่ควรจะไปหาเรื่องใครนี่มันมีสวนนะหนึ่งก็เป็นภาพหนุ่มสองมันยังไม่ค่อยรู้ทำเนียมสองเป็นพวกกระแสบรรยากาศเฟซบุ๊เป็นตึงไปอย่างนั้น เราจะไม่ค่อยไม่เคยได้ดูนะพระที่มีก็เห็นของพระท่านกิจิสัง ก, ก็หลุดลืงออกมาบออาามาา่อ ย, ไ, ยไม่รู้อ่ะตั้งค่าไม่ค่อยรู้หรอกรู้สึกดีฟ้องเหมือนมั้งไม่คยรู้เรื่องเลยแล้ก็ทั่งว่ายแต่สิ่งที่สังเกตนะคือไอ้ไอ้ อะลไอ้การขึ้นขึ้นไทม์ไลน์เนี่ยก็แปลนะเรามีสองเครื่องเนี่ยนะเราเปิดเฟซบุ o กเหมือนกันนะสองเครื่องนะมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นข้ออะไรคือเปิดแอคาเราพร้อมกันอแล้วเราเปิดโฮมเนี่ยคเราดูทํา่ไมไม่เหมือนกัฮะไเกี่ยวก็เปิดพร้อมกันอ่ะเรางงทไมมันไม่เหมือนกันอเาพนไตั้งรตั้งข้าแต่ว่าถ้าเกิดแ เข้ามาโพสในหน้ากอจก็ได้ใชครับได้ปกติคือถ้าไม่ถ้าไม่เพิ่งเป็นเรื่องละมบกจาร์นมาก็ปล่อยนะเคยมีครับมันเป็นลมมีมีมีคนมาติเข้ามามีคนมาบอมาก็เปลบแต่นี้น้อยแล้วก็เรื่องีผ่านผ่านอทมีครับไปถึงระสอะไรที่รู้สึกไม่ไม่ไม่มีส่วนมีอะไรเ่ลความอูวนอะไรต่าง่ี้ไครับก็ต้องปล่อยไปปล่อยไป ตัวอัตมาม่ค่อได้ดูด้วยก็เลยนะคือมันก็แปลกนะอัตมาเพิ่งไปเปิดจากมือถือเนี่ยนะเพราะว่ามันมีคนมรีเควสต์ทางเมสเซจเนี่ยเยอะนู้นเลยบางคนก็ตั้งแต่มกราปีที่แล้วแต่มันไม่ปรากฏในคอมพิวเตอร์กลายเป็นอย่างนั้นนะรีเควสตที่ขอไม่ใช่ส่งข้อความมาเพื่อจะแล้วคอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยมันมันจะบอกว่า มันจะบอกว่าเราจะ accept ไหม accept เนี่ยมันก็จะไปมันก็จะไปโผล่ในคอมถ้าไม่ accept มันก็มันก็ไม่โผล่ในคอมนะอาตมาก็เลยพบว่าบางคนนี่ขอส่ง message มาตั้งแต่ต้นปีนี้ต้นปีเนี่ยอาตมาไม่รู้เลยคือตอนนี้ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยไม่ค่อยทันเนอะแต่ก่อนไม้มีส่วนมาใช้เล่นไฟไฟไหม เฟซบุ๊กเลยเ ป, เป็นพวกนี่คือเป็นปตุดแรกแต่ก่อนตอมาเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กบ่อยมากจนพีดตั้งหนังสือเป็นเล่มได้เคยดูว่าวันละเรื่องอ่ะปี52 54เนี่ยพี์มันเล่มได้อะมีข้อมีเรื่องต่างๆในลงเฟซบุ๊กตมาขยันเขียนนะตอนหลังมันไม่ค่อยน่ามอนไม่ค่อยน่าสนใจแล้วตอนน้ขยัเขียนแลแลยนี่ล เราโพสอะไรไปจะดูว่ามีคนมากดไลค์เราอะไรเงี้ยส like ิ่งแวด้ใจมีก็มีมีมก็มีมีแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังคนยังไม่คนยังเล่นไ e ไม่มากแล้วก็ดูมันก็มียังไม่มีพวกไอ้เปรียนหรือทรอ่ะแต่เีวนี้มันมันเยอะหมืนพวกเรี่ยนพวกไอ้พวกทรอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภาษาาทรอเนี่ยเรียนนะว่ะอันเดียวเรียนนะว่ะอะ รอาจารย์เอารถอะไรมาครับไม่แล้วของเดี๋ยวพึ้แท็กซี่แท็กซี่โอเคครับอะคุยอย่นีได้ปะต้องล้<ร>องได้รับไ ม, ไม่ได้ใช้ออ ย, ยอดไลท์อย่างเงี้ยระอาจารย์ไปสังเกตนะผว่าอะเมื่อก่อนที่เล่นทีทีเนี่ยยอดไล์อาจจะเยอะเพราะว่าโพสบ่อยๆแล้ววันไหนที่ไม่ได้โพสหรือว่าโพสยังไงที่ทาให้ยอดไลท์ของอาจารย์กไป ไไ <S <S คื อ, คอสังเกต ว, ว่ามีมีมีมีขึ้นมีนมลงอะไรเนี่ยมีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจะขึ้นเพราะว่ากรณีที่พ้นลักษะแบบไหนแล้วก็ไอที่มันลดลงไปจะพ้นลักษณะแบบไหนโดไล่เยอะๆี่คือคือแปลกนะที่ว่าที่ไล่มากๆนี่นะมันมีตอนนึ่งก็คือไปไปญี่ปุ่นแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กญี่ปุ่นนะคนคนงไล่เยอะมากเลยนะ ก็ไม่รู้เป็นพ่ออะไรแต่ไม่มีเรื่องการเมืองครับเป็นเรื่องการเมืองที่จะที่บ้นานอีกตอนก็เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องในหลวงก็เป็น เ, เรื่องอะไรเรื่องวันที่วันที่พระองค์กกสอนสอรคดวันลุกขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เยอะแต่ เ, เรื่องเรื่องทั่วไปไ ม, ม่เรื่องโคตทามาที่น้อยนี่มีเยอะเรื่องอะไรเร นั่นก็เรื่องว่าที่วัดทำอะไรมีกระถิ่นทอดปลาเอออาตมาก็มีบ้างมีก็มีมีโพสตมาบ้างว่าที่วัดมีทอดปลามีอะไรบ้างมีกระถิ่นแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ซาซาแล้วอย่างตอนนี้คือปกติสัปดาห์เป็นาเล่นมากี่วันโดยประมาณหรือว่าเล่นทุกวันแตารทาที่วันนะที่วันเนี่ยจะ 2-3 วันเนี่ยค่อยค่อยไปดูเพจคุณนั้นคนนี้ก็คือดูขาจับมือขาคอมพิวเตอร์นิดเดียวหรือว่าใช่คอมพิวเตอร์แต่เมสเซจเนี่ยดูเช็ค message เมสเซจจะเกือบทุกวันจะเช็คว่ามีเมสเซจอะไรเข้ามาบ้างาแต่ว่าเพจของคุณต้องคนนี้เนี่ยโฮ ม, ม, ม, มนี่ยิ่งน้อยก็ไปใหญ่เพ<อ>ราะเดี๋ยวนี้รัศมีมันไม่ค่อยมีอะไรละ ต้องไปดูเพยของคนเ ม, มื่จะไปดูเพยของปี๊พอบเลยอ่าไปดูเลยแต่ว่าสองสามวันทียางเรื่ อ, องคำสับที่มันเป็นคัมาแล้วผ่านไปอะไรองี้อาจารย์รู้ไหมครับไมาบคนคเช่นอะไรไ น, น, ไนอรบองน้งมิง้มิงเห็นในสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยครัชที่มาจากครับครับแต่ประเ็นว่ า, าไปดูในเพย์ใช้คำวครัชอะไรเงี้ยที่มันมาสับในเนเนี้ย มุม <laughs> <laughs> <inaudible> ิงแปลว่าอะไรเห็ม hmm. mm ึงในสิกเกอร์ม hmm. mm ันแปลว่าอะไรมุ้งมิงก็คืออีๆอีอะไรที่อีเหรออ๋อที่มันเป็นลักษณะที่แบบสับมาแล้วผ่านไปอ๋อตอนนี้เลิกไปแล้วเหรอมุมิงมันยังมีอยู่ยังมีอยู่แลรัชเนี่ยังอยู่ังอยู่ได้ีมบอกว่าครับก็บอกว่าพิมพ์ว่าครับในเฟซบุ๊กม้เจอบ่อยนะครับคนเออมีไวลลุกนจ์อ่านงงครับผมว่าเราก็ ไม่ไม่โงงไม่งก็พอเดาได้แต่เราก็ทันกับพวกคำศัพท์ที่ลักษณะแบบนี้ที่มันผ่านกันมาในโลกโซเชียลไม่งนะครับเจอคที่เขีกันผิดผไรย่งภาษา่เขียนเธรรมดาเพราะว่าเจอมาเยอะแล้วไอ้พวกเขียนเขียนไม่สะกดไม่ถูกพวกเนี้ยพระอาจารย์มองปัจจุบันที่เรื่องของประสบกาเล่นเก อยากให้เวาจารย์ท่ามองทุกท่านขอทด็เป็ น, ล น, าาานหลักบแล้วความตอความเหมาะสม ร, รูว่าถิ่ทางัณตไอย่ครับตัวพระพระสง์ตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเมืม่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปคือว่าไม่ค่อยได้เห็นเม่ค่อยได้เห็นโทษของมันเท่าไหร่นะคืออาจจะมองเห็นแต่ข้อดีหรือประโยชน์ของมันแล้วก็ เพราะ น, นั้นเนี่ยก็เลยการใช้วิจารยณในการใช้ก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่หเป็นลักษณะกา ร, รเข้าไปบางทีมันเหมือนก็เข้าไปร่วมวงกาแฟแมาซึ่งก็มีคราว่ามีแรงต่างแต่ว่ามันเป็นวงกาแฟที่มันเปิดเผยอ่ะไม่ผิดใช่ไหมครับ ต่มาไม่คิดว่าถึงขนาดนั้นทุกขเพื่อไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ไปเพื่อไปจีบกันหรือแรงต่างกันนี่มันก็ก็ทําได้ก็มันก็ตั้งวงสนทนากันนะถ้ามันตั้งวงสนทนากันเอบางที่มันอาจจะสนทนาแบบนี่เป็นสาระแต่ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ควรทํา ก็เห็นด้วยกรอบกรอบก็สมณสสา ร, รูปเรื่องของการใช้คำนะการแจงความเห็นเรื่องวิธีเรื่องรูปทิศโพสตอย่างต่างเนี่องมาก็ต้องมก็ต้องมีกรอบ ว่าอันนี้คือเป็นกร่องที่เขาจะสามารถแสดงความเห็นการการมืองไเป็นพวกน้อยู่ว่าอันนี้เกินไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้มันะมันก็มีแารแสดงความเห็นก็คือไม่ไม่ไปไม่ไปกระพือหรือกระตุ้นความกดความเกลียดนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นรวมท้งการใช้ถ้อยคำที่รืยเพราะเช่นแฮ e เพชอะไรพวเนี้ยไม่ไม่ได้เลย ส่วนเรื่องของการวิจการมีวิจารณญาณการการจะใช้วิจารณญาณเนี่ยเกี่ยวกับการมือก็ต้องก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องรอบคอบคือว่าต้องอย่าไปอย่าไปเชื่อข้อมูลอะไรง่ายๆมันต้องตรวจสอบแต่เหลืองจะแดงก็แล้วแต่นะแต่มาว่าเตรียมคการคือวาพ้าเรานี่มันก็ไม่ควรจะไปไปผูกติดกับความเป็นเหลืองเป็นแดง พว่าเราต้องต้องอยู่เหนือมันเมื่อแด่หมายความว่าจะมีความเห็นแบบเหลืองแบบแดงไม่ได้แต่ก็ให้รู้ว่ามันมันก็แค่เป็นเป็นความเห็นที่ที่ไม่ใช่ไปยึดติดถือมั่นกับมันจนอยู่เหนือสิ่งอื่นอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ความเ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกูลกัน ปากระโดะอดน ะ, ะ, ะ, ะเผลอทำคำสอนตอนสอนนี่เป็นเป็นอันตรามไม่รู้จักแกมือ ก, ก่อนตอนที่เริ่มเพลเนี่ยอตอนเราไม่รกกู้แกเบนอาจารย์ที่จุฬาแล้วตอนหลังก็ไปเป็น ไ, ไ, ไปไปไปช่วยงานสน ม, ม่ก็คือขออนุญาตอาจารย์ก่อนก็จะใช้ชื่อ เ, เป็นรู้สูงาาไม่นะชื่อแรกหม่ทําเองแล้วก็เออรู้เข้าพ็ยังจำได้นะว่าทาเองแล้วก็ พอรู้เขาก็มีการติดต่อกันแกทำด้วยความศรัทธาซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไร่ว่าอรกกแกก็ก็ระมัดระวังอย่างอาจารย์เคยเป็นบุหรี่มป็นอะไที่แบบมันจะมีมีถ่ายทอดสดไม่เคยใช้ใช้ได้ง่ายใช่ไหมใช้ง่าย ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เคยใช้และเคยคิดจะจะใช้ไหมครับเพราะว่าก็ไม่เรียกขายทอดอะไรอย่างมีคับางที่ท่ผมเขายสดมลขายอะไรเงี้ยะครับอ๋อเหรอก็คงมีคงตกลงกันบ้างในหมู่ราชวงศ์ของเขามองอย่างไรกับอย่างพระเป็นพวกร้ายยังงครับหรือว่าผมเห็นอ๋อถ้าแพทย์แพทย์ทำก็โอเคแต่มาไม่ไม่ไ่าอะไม่ไม่ติกันอ๋อมาแล้วแต่ว่าเจตนาเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่รูปแบบท่าที แต่ภาพาก็รู้ทไมไปเที่ยวก็เป็นรานสถานที่ไปสิงคโปร์มาลิน่าเบย์อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจากที่นี่แล้วก็เนี่ยเขามีวงเขาเนี่ยเขามันเป็นวงกาแฟกลุ่มสังคมของเขาซึ่งเด็กเขาไม่รู้อย่างว่ามันมันแทลิกใช่ไหมมันไม่ได้อยู่เฉพาะในแค่วงของเพื่อนๆมันมันไปไกลอ่ะเพราะแค่เฉาะคนที่มาดูได้ใช่ถ้าคุณดูได้ไงคุณเห็นได้ไงผมไปตั้งแต่เริ่มทใชผมไปอแอ ลลลแล้วออแล้วรอิที่ว่านี่ก็มีมีรีเนะยอดไลส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นทาทีลักษณะคล้ายทงโลกอ ย, ใใยอไจะเยอะประมาณต่อสเตาบางรูปก็จะเป็นลักษณะของโชว์ว้าิวนิดแลส่วนใหญ่จะเป็นเป็นเป็นาที่ถาตุต๊ดเหรอเออ <laughs> เซื้อน้ม อมาฝากยามกออของฝากคนนั้นี้นะเหรอมองมองอย่างเงี้ยกฝากคน่าามันกลังเดเยอะเหมือนกันก็เนี่ยไม่ไม่ไม่ก็เหนี่อยถึงะมอไม่เห็นโทษของมันนะตอนนี้ดูมันไม่มีอะไรเดี๋ยวตอไปอยู่ปัญหาแต่ตอนนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะไปทาอย่างงั้นน่ยพอไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรคือไป คือไปอยู่กับเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นคนหนึ่งเขาทาก็ทาบ้างเห็นบ่อยๆก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาที่พระทาไ ด, <ม>ได้แต่ในจริงพระไม่ควรทำแต่มันก็ดไม่ได้นะมันเรื่องไม่ได้พอไปคุกคีกับมัน ม, มากๆเนี่ยไอ้เรื่องหลายเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกกับเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรม ร, งธรมดาตัวเองก็ทำบ้างาพระอาจารย์ก็มีชเสียในหะประเรว่าแบบท่าน้ใญ่เนี่ยเคยปรึกษาาเรไรอร จะแบบตักเดือนพระที่รัศดรพระจะทำแบบนี้บ้างไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีการมาพูดคุยเรื่องนี้พระมาก็อยู่นอกแวดวงพระพระสังฆาริการนะพระบารมแีแล้วพระบารมียังไม่รู้เลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปดูนะพระบารมีว่าอะไรบ้างเห็นคนตอบต้านกัน ของใหม่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับพระนี่ก็คือไม่มีใครสร้างแบบแผนเอาไว้เพราะนั้นก็เลยพระก็เลยใช้แบบแผนขหนึ่งข่าวว่าทำหนึ่งข่าวว่าสักพักนะครับผมมั ร, รู้กัลเจอใหม่ๆที่ราตั้งหลักไม่ถูกเนี่มันก็ตอกปิดตอผูกจนสักพักเนี่ยอาจจะเนี่เราเข้าใจมันได้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่ามันเป็นอีกทา ง, งก็ได้คือว่าไ อ, ไอ้ไอ้ความไร้มารยาท มันกลายเป็นกระสานหลักมันเป็นบรรยากาศที่ครอบครอบคลุม Facebook มันก็คนก็ก็เลยพล่อยไร้เมตยาเช่นด่าด่าเนี่ยด่ากันด่าเท่านั้นนะพอมันกลายเป็นกระสานหลักไปแล้วเนี่ยตตอนนี้เฟซบุ o กเนี่ยเป็นมหาทวโรนนะด่ากันเละเทถ้ามปกระสาหลักเนี่ยมันก็จะมันก็จะสร้างสร้างนอมอีกแบบคือนอมอรเพว่ากูมีเซกูมีสภาพที่จะด่าด่าแล้วอจดนเยอะะ S <S ยอดในเยอะจะเป็นที่มากว่าชมคื อ, อปกติคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีการสร้างสร้างมารยาทใหม่ที่คอยคอยทําให้มันมีระเบียบเช่นขับรถเนี่ยขับรถเนี่ยสมัยก่อนไม่มีไม่มีกติการเลยตอนหลังเนี่ยมันมีระเบียบเรื่องการขับรถมากขึ้นใช่ไหมหรวมทั้งการกดตราจะกดตราได้ที่ไหนบ้างเนี่ยคือมันมีวัฒนาการทางด้านกฎระเบียบที่ทําให้มันมีความเรียบร้อยแต่ตมาไม่ได้เซ็ Facebook อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กลัวว่านอมนอมที่มันจะจะจะจะลงลึกเนี่ยก็คือนอมใี่เสรีภาพพูดอะไรก็ได้ซึ่งไว้หนึงด่าเดอหรือว่าไปแฮชปีช่วยก็ได้อย่างอาจารย์มองว่า Facebook เ, เป็นช่องทางในการสื่อสารที่มันเกิดจากการต้านาการของผู้ผลงตสออย่งเมื่อ ก, ก่อนก็อาจจะแบบขึ้นธรรมะ แล้วมาสู่รายการวิทยุมารายการทำทีวีช่วงเช้าแล้วสุดท้ายก็มาทาง Facebook ม, มันเป็นอะไรคล้อย่งายงนี้ได้หรือว่ามันก็แล้วแต่คนใช้อีู่ดีนี่ตาก็ไม่ไดแน่จกจเฟซบ o ๊กที่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะ น, นั้นก็ไม่ค่อยก็ยังพูดไม่ได้ว่ามันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้ที่ใช้กันอย่างวิทยุ หรือโทรทัศน์นะแต่ว่าถ้าผู้รวมๆโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คงจะเป็นเป็นสื่ออีกแนวหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมะแต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะเป็น Facebook เพรา่อตอมาก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ a c e b o o k เนี่ยมันจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่สิบสิบปีเนี่ย อย่างนี้ไปเนี่ยนะมันก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากสำหรับวงการอินเทอร์เน็ตนะ10ปีหน้าเนี่ยจะไม่มี Facebook แล้วก็ได้แต่อาจจะมีที่แย่กว่า Facebook ก็ได้นะใครจะไปรู้เป็นเพราะว่าเ็นทุกโลกุโลกเนี่ยโลกโซเชียลทคนใช้แบบ s p กันเยอะเนี่ยมันไปลึกๆไปโตวของมันเนี่ยเพราะว่าเรามีสัญญาณอรางอาเทนความแหมังเสปีดมันถึงนีอินเทอร์เน็ตมากมีการรังแกกันนอินเทอร์เน็ต เพราประการหนึ่งมันมันมีมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างทางด้านภูมิศาสตร์ไม่เห็นหน้ากันคนไม่เห็นหน้ากันเนี่ยนะมันฆ่ากันง่ายง่ายเช่นเอาโดรนไปทิ้งระเบิดนะฮะแต่ถ้ามันยิงกันต่อหน้าตาเนี่ยบางทีมันยิงขึ้นฟ้านะเวลาจัตฐานเนี่ยเวลาประจันหน้ากนเนี่ยในในอเมริกาไอในสงครามโลกยี่สองเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยนะเวลาประจันหน้าเนี่ยหลายคนมายิงขึ้นฟ้าไม่กล้า แต่พอไม่เห็นหน้านะกดปุ่มมาเนี้ยมันทิ้งระเบิดกันได้ง่ายสองความเป็นหนึ่งระยะห่างสองความเป็นอะความเป็นอะไรนิรนามความเป็นนิรนามเนี้ยนิดที่อน y m ม u สเนี่ยมันไม่เปิดเผยตัวมันคนเราพอไม่ไม่แสดงตัวมันจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสาม วัฒนธรรมของของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันวางอยู่บนพื้นฐานความคิดเรื่องฟรีฟรีสปีชช์ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มันถูกมันถูกใช้ไปในทางที่ตอบสนองความคิดและอุดมการณ์ที่ทับแทบซึ่งความคิดและอุดมการณ์ที่ทับแคบนก็เกิดจากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยโซเชียลมีเดียด้วยมัน มันทําให้มันเปดิดขายคนเนี่ยรับรู้แต่ข่าวสารด้านเดียวสมัยก่อนทศนักสือพิมพ์เนี่ยนะนักสือพิมพ์แบบเมนสตรีมเนี่ยจะต้องมีแนวคิดที่หลากหลายไทยรัฐใช่ไหมมันจะมีทั้งฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จ ก, การเพราะว่ามันเป็นแมสมันต้องการตอบสนองความต้องการคนอ่านที่หลากหลายซึ่งมีทั้งขวา ซ้ายขวาหน้าหลังแล้นงสือพิมพเดียวกันเนี่ยมันจะมีหลายคอลัมน์ที่ไปคนละทางแต่มันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้อ่านความเห็นที่หลากหลายรวมนั่งข้อมูลด้วยแต่เดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องถ้าคุณถ้าคุ ณ, ถ, คณถ้าคุณสีแดงคุณก็สีแดงคุณเหลืองคุณก็ผู้จัดจา ก, การอย่างเดียวเลย <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าสื่อเนี่ยมันทำได้ง่ายสื่อมันสามารถที่จะเจาะสื่อใน่เนี่ยมันทําให้สามารถจะเจาะ ก, กลุ่มคนได้แล้วมันมีฟิลเตอร์ด้วย ไปเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีฟิลเตอร์ที่ทําให้อย่างที่คุณบอกเนี่ยมันจะกรองให้เห็นแต่คุณเห็นแต่เออเนี่ยนั้นมันทําให้เกิดกระบการที่เรียกออโต้โปรบักันดาชใช่ไหมซึ่งเป็นการฝังหัวฝังหัวคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยทําให้คุณเนี่ยเชื่อเลยนะว่าไอ เ, ไเนี่ยถูกนะเช่นถ้าคนอเมริกันก็เชื่อว่าโอมาร์เนี่ยเป็นอุสลิม ม, มันมาจากเคนยา เพราะคนมันเชื่อฟังหัวเงี้ยนะแล้วพอเจอความที่ต่างหลายมันก็เจอความที่แตกต่างก็ไม่ชอบมันก็ด่ายงง้ยคอนเตเน็ตในเฟซบุ๊กเนี่ยเกันกความเหมือนฟูมกันเ็นต่างคือปกติเนยมน่น่มันมีความหลากหลายมากเี่เน็ตจะทำให้เราลดความหลากหลายน้อยลงมาจนจนไม่เริมเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากจนงทํางมันไม่สามารถจะรับรับฟังข้อมูลที่หลากหลายได้แค่ข้อมูลของพวกเดียวกันเองนี่ยมันก็เยอะแล้วใช่ ความท่วมท้นของข้อมูลเนี่ยมันทำให้ต้องเกิด selection เกิดการกรองและการกรองเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความคิดที่แคบแคบเห็นแต่มุมเดียวเขาใช้อ ล, อ ล, อ ล, อ ล, ลกอริทึมต่างๆของมันเนะี่ยแต่ว่าก็ไม่รู้นะมันทำให้คนเนี่ยแคบลง s ocial media เนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมีความป็นที่กว้างขวางแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยแคบ แล้วพอเพราะนั้นเนี่ยมันจะทนความสิทธิแตกต่างกันไม่ได้มันก็ต้องดาเนี่ยและที่นั่นแมันก็มันก็มีพื้นฐานอยู่เรื่องของฟรีสเปซอยู่แล้วมันก็เลยเอาสายเข้าไปมันก็จากฟรีสเปซกลายเป็นเตสบิทมันก็มันจะเป็นเป็นปัญหาเย่างนี้อาจารย์ ก็จะติดติดมือถืออย่างนี้เราผมเล่นมือถือก็เริ่มเป็นกับพระพระพระรุ่นใหม่มากขึ้นแต่พระรุ่นเก่ายังไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมีเคยมีพระบางลูกเคยบอกว่าการที่ ระดับเจ้าวาวัดอาจจะไม่ได้ทันโลกโซเชียลแล้วก็ไม่สามารถควบคุมผาดขึ้นมาให้เล่นอยู่ใน ค, คาวามต้องการก็เลยทำให้มีสลัในการเล่นก็มีส่วนรูเกับพ่อแม่ที่เล่นไม่รู้จักเกมออนไลน์เด็กมันก็เล่นเกมออนไลน์ไปไกลแล้วพ่อไปไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ก็ยากที่จะควบคุมแล้วแต่ดู้นของผาดแต่ละลูกจริงคณะสงฆ์งก็ต้อง มีการมาคุยเรื่องนี้จริงจังนะไม่ได้หมายถึงว่ามัออกกฎระเบียบเลยนะแต่ว่าต้องคุยกันให้ว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรคือปัญหาแต่ว่าคณะสงฆ์ก็ไม่สนใจไม่มด้ยต่ว่าคุยกันจริงน่าจะกลายเป็นออกกฎระเบียบคือก็การที่ทอมานั่งคุยกันว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคื อ, ค อ, ค อ, ค อ, คอผมเห็นหน่วยงานนะผมไปแล้ม า, ามคุยกันแล้วจะจบป็นกฎระเบียบมันเป็นรูปธรรที่ชัดมากแล้วพอามันไม่แบบจริงมันจะแบบไม่ได้เพราะว่าใช่คณะสงฆ์ชอบกดออกกฎระเบียบอยู่แล้ว แล้วซึงเป็นผลงานงแล้วมันปฏิบัติไม่ได้เพราะว่ามันกดมันต่างตายแข็งมากจนจนปฏิบัไม่ได้ <S 2> <S 2> ใช่แต่ว่าขึ่นมาคือมันจะมีการเห็นความจำเป็นที่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้เลยแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยไม่ใช่ไปตามมองไล่ตามปัญหาคือว่าเห็นยเห็นเห็นกับความจําเป็นที่ควรจะมานั่งคุยกันใช่หครับใช่ ให้เห็นให้คณะคนมีความเป็นขึ้นหลากหลายแล้วก็เพื่อได้โอเคอาจจะวางวางให้ข้อไกด์ไลน์สำหรับพระทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ถ้าเป็นเจ้าว่าก็จะได้เอาไกด์ไลน์ที่มาแนะนำพระหรือว่าให้ความรู้เพื่อได้มีวิจารณญาณในการใช้แต่แต่ถ้ให้ออก ที่เคุยอยงเงี้ยตอนนั้นไม่ออกกฎตแต่เนี่ยสังคมไม่พิจารว่าพระเนี่ยเนี่ยคุยอย่างเงี้ยก็แล้วแท้ายมันไม่นาไปสู่อะไรเลยอะไรเงี้ยผมกฎระเบียบเนี่ยมันอาหจกลาว่าตใจง่ายว่าเอ้ยนกเลิกเล่นเป็นบุกไปเลยาภาพเล่นเลอเงี้ยผมมันจะกลายเป็นสู่ตัวเป็นทางมันมันอยู่ที่ว่ามันควรจะเป็นไกด์ไลน์ด้านนึงก็เป็นไกด์ไลน์ด้านนึงก็เป็นกฎระเบียบแต่ว่ากฎระเบียบที่มันมันค่อนข้างจะจะหลวมคือใมันมันป้กันไกด์ไลน์ คือคนรีเบนนี่สหรับให้มันบางอย่างที่มันที่มันน่าเกลจริงก็ควรจะห้ามเลยเช่นเสเชเช่นพาระไควรทำางเทอ็คจะเอาเอออาอกาเล่นไล์อะไระนีเหรอมีพระานพเทสอยู่ออพระเทละพระพักเลน่นเล่นไล์กดเทสได้ไงก็ตั้งกล้องไว้แล้วให ไปแล้วก็ายไปเียอนนั้นก็ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าญาติโยมสาวุชนเนี่ยนะเขาอยากจะฟังพาทเทตก็กดไปอย่างแหลกเท่แหลกเนียก็ไม่ไม่ได้เสียงอะไรเลยไก็มันก็เป็นประเพณีที่ทำมันอยู่เดี๋ยวคงจะต้องไปแล้วนะ่อสมควรนะ